ทำมันยังจงใจทํานะของคุณมันยังจงใจอยู่มันมีความตัวละเอียดละอีที่ไม่รู้ใช่ไหมเดียงประคองไว้ตลอดเลยมันยังไม่หลุดออกมายังประคองอยู่นะรู้สึกไหมยังทำอยู่อืมนะแล้วค่อยๆรู้ไปนะแต่อย่าไปเกลียดมันนะรู้เรื่อยๆรู้สบายๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะวันหนึ่งมันค่อยๆสลายแต่เพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีแล้วของคุณมันหลุดออกมาได้เยอะแล้ว หได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นละเมื่อก่อนนี้แข็งตอกเลยปฏิบนะัติแล้วทุกหนักหนาเพราะเราไปจงใจทำเ ห, ห เ, เหมือนตัวอื่นเลยรู้ไปอย่างสบายใจตัวที่หนักอยู่ตรงนี้จะเปัวอยู่อยู่แถวอกนะก่เลสมั้ยผุดขึ้นในอกอะ่ะ <laughs> เอ้ยนี่ความเราไปตึงอยู่กันทั้งสมองเราแย่แล้วฮึไม่เป็นไรเราให้มันทุกข์ให้เจ็ดแต่แต่มันไม่รู้แล้วมันก็ทุกันมันไม่อย่าไปด่ามันนะอย่าโมโหมัน มันมีมุมอปุปกร้วมันก็ยังม่างปตรง เ, เดิมนะครับโอ้ยก่เลยมันก็ของเกาเ่าแหละราชาโทสะโมหะสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ก็ตัวเกาเ่าอะไรอืม ม, มันจะรู้จักได้เยอะขึ้นอย่างเดิมโทสะเราก็รู้จักแต่โกรธแต่มาเรารู้จักปฏิฆะความขัดใจเนสะโกะความเศร้าโศกใช่ไหยเบื่อ นะนี่ก็เป็นโทสะเบื่ออิจฉานี่ก็โทสะกังวลนี่ก็โทสะเจะจะรู้จักลูกหลานกิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีเป็นโคตรโคตรนะเรียกเป็นตระกูลอย่านงะกิเลสตระกูลโทสะโคตรของโทสะเนี่ยมีมีเยอะหลายเจเนเรชั่นนะตระกูลราคะนี่พูดภาษาสุภาพจริงจริงมันเป็นโคตรโคตรอ่ะ ไปทําอะไรดูเล่นๆแบบนี้แหละรู้ไปเรื่อยๆมันก็ยังแข็งอย่างเงี้ ย, ยลืมลืมเรื่องปฏิบัติไปนะแล้วก็เอาแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้ไปที่มันตึงขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปตั้งท่าปฏิบัติเราไปคอยดูตลอดเวลารู้สึกไหมคล้ายๆไปนั่งเฝ้าแวดรอดู นั่งเฝ้าไว้ต่อดูว่าจะตึงขึ้นมาลืมมันไปเลยแต่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเมื่อกี้หันหน้าหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนั่งพยักหน้าอย่างเงี้ยรู้ไหมเมื่อกี้พยักหน้าจ้องอยู่แล้วที่ใจคอที่นี่นะนี่ใครสังเกตไม่เผลอเผลอคือไม่รู้แล้วก็ไม่จ้องไว้ไม่เพ่งไว้รู้กายก็ไม่เผลอไปที่อื่นไม่เพ่งกายรู้ใจก็ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งใจรู้อะไรก็ไม่เพ่ง ทำอะไรอ่ะธรรมยาตราทีมไหนเนี่ยธรรมย่าตราล้วโ เ, เขียนอ๋อเออท่านก็ประดีนะเฝ้าคำเขียนบางทีมันมันทไแค่ว่ารู้รู้ว่เอแต่ว่าแต่ว่าไอู้ตรงความรู้สึกม่ถนดไม่ถนัดดูงี้ก็ได้คือ การดูจิตเนะี่ยเราดูได้สองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกอันนึงดูพฤติกรรมดูอาการของจิตจิตมันวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจก็คอยรู้ทันอย่างนี้ก็ได้การที่เราเห็นว่าจิตวิ่งไปทางตาทางหูทางใจเนะี่ยมันจะเห็นความเกิดดับของจิตนั่นเองจิตเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูระดับนี่เป็นการเรียนตัวจิตโดยตรง การที่เห็นไปดูว่าจิตมีความรู้สึกอะไรนี ing, like ่ ener, <c oughs> <out> เป็รีนเรื่องตัวเจตสิกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะสุขทุกขโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยมันไม่ใช่ตัวจิตจริงหรอกเป็นตัวเจตสิกจิตกับเจตสิกมันอยู่ด้วยกันสงสัยสงสัยดูสงสัยไปถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละนะ เห็นไหมจิตทุกชนิดเกิดดับจิตที่ไปเผลอไปดูทางตาเกิดแล้วก็ดับเผลอไปคิดเกิดแล้วก็ดับนะที่ดูไปจิตมีแต่เกิดกระดับอยู่ทางทวรรทั้งหกเขารู้อยู่อย่างนี้ก็ได้เไปทางใจเห็นไหทําไมมันถึงไปทางตาทางหูทางใจเพราะมันมีตัณหาหกอย่างสักดันไปเนะมีรู ป, ปรตัณหาอยากดูรูปก็วิ่งไปดนะูเกิดอาการดูถ้ารู้ว่ามีตัณหาก็ใช้ได้ รู้ตัณหาไม่ทันเกิดอาการดูแล้วรู้ว่ามีอาการดูก็ใช้ได้ตัณหาทางใจชื่อเพราะนะเรียกว่าธรรมาตัณหาอยากรู้อารมณ์ทางใจนะเรียกว่าธรรมาตัณหาชื่อเพราะเพราะสังแล้วดีแล้วคนที่เป็นช่างปัะผมนี่เขาปฏิบัติยังไงก็เก่งง่ายเขาไม่คิดมากคิดมากยากนานบอกแล้วะ วันๆนั้นเขาก็ดูใจของเขาไปเรื่อยๆนะเขาทําผมไปลูกค้าคนนี้จู้จี้ขี้บ่นไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจทําผมไปลูกค้าคนนี้ใจดีอะไรเงี้ยนะสบายใจรู้ว่าสบายใจคนอื่นทําผมไปต้องคุยไปช่างทําผมอะไรเงี้ชอบคุยนี่ไม่คุยนี่นั่งเดินดูจิตของตัวเองไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยั้นซื่อๆดูไปซื่อๆ้ความ รู้ความรู้สึกขอตัวเองไปเรื่อยง่ายจะตายไปคิดมากยากนานไม่ต้องศึกษาปริเพี่ยนรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นนะคือตื่นตอนตึกนอนตอนเช้ากรัเขานปุ๊บในจังหวแต้องมานัางดิ้ว่าเราเป็นใครชื่ออะไรนั่นคือัญญาณที่ผินะครับค แต่ไกยติเตียมันมันเกิดอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเอ้เราเป็นใครเราเป็นเกิดแล้วเลยค่อยไปสงสัยว่าเราเป็นใครมันเกิดเกิดดูบ่อยๆเกิดเป็นคุ้นเคยตื่นมาทุกๆ <laughs> วั น, วนเลยก็ไปบวชนะทำไมตื่นแล้วเป็นทุกข์ นอนตั้งหงาย่ทีมเราสี่คนดีขึ้นเยอะแล้วทําไปเครื่องเคร่องกำลังตกแล้วนี่เดี๋ยวไม่ตกอขึ้นนี่ขึ้นแล้วมันเคยทําแล้วมันทําง่ายมันเคยทําแล้วทําง่ายต่อไปชาติหน้าสมมติชาตินี้ไม่รู้ธรรมะชาติหน้าไปเจออะไรตกใจทีเดียวก็ขึ้นมาแล้ ต้องอารมณ์แรงๆนะกระตุน้นมีพระองค์หนึ่งท่านบอกท่านรู้ตัวเป็นเพราะว่าคนมาจุดประทัดข้างๆท่านตู้มขึ้นมาตู้มขึ้นมาจากข้างในเเห็นอ๋อมันพุ่งขึ้นมานี่ดูเป็นเลยองค์ ท, ที่อยู่สุโขทัยมั้งเสร็จแล้วท่านก็ไม่รู้จะดูอย่างนี้ทำไมท่านเลิกไม่ปฏิบัติทําสมาธิต่อแนะนะท่านให้มาดูนะท่านเลยดูต่อของเคยทํามันก็ง่าย พวเราเคยทำและวหน่อ ย, นยก็ง่ายถ้าไม่มีคนแน่นนะต้องรอตกองใจตนะ้องรอสัมผัอย่างหลวงพ่อไฟไหม้ข้างบ้านตกใจไหลูกขึ้นวิ่งอยู่เบอกผู้ใหญ่ไปเห็นก็ตกใจเสร็จแล้วก็ลืมเพราะไม่มีครูบาอาจารย์เพราะงั้นทำซีดีไว้อย่างนี้ก็ดีแล้วหน่อยจะได้ฟังธรรมะนเะคยเป็น แต่ถ้ามันนึกขึ้นได้มันก็เลยหมุนแล้วความนึกโอ๋้ <c oughs> ตัดเชิญกลับบ้าน